50 languages. 35. p a n t i ที่สนามบิน Hawaii a d e t e ดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะ May Athens be under ticket Lena Chawinda ha. แม่เอเธนสดีขึ้นอันดับตั๋วเครื่อนจดีนี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะที่ขอันดัที่เอเธนส์ดันดีหขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะกรุณารเก็บขีดขีดกุญแจที่นั่งที่ไม่สหดิฉันขอยืนยันการจองค่ะ แม้ अ प ตाองรักษาการันต์สุนัขจิตกा ह ้องทำแม้ाะต้องรักษาการันต์สุนั ह จิตก็ทีดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ मैं अ प न ाอ र รักษาการันต์รाดับก็ต้องทำแม้จะต้องรักษ र การันต์ระดับก็ตทดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะ मैं अ प न ाอ र รักษาการันต์บั ह จุลนา แม่อัารัาการัเลีเดีเที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะโรมเดลยอัจฉะหยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะคิดซีาะไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะ จีนไม่ซาดเดกล์ค क กัลอีกซีท์ผาลเหรเราจะไปถึงเมื่อไรคะอีกด้ตราเราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไรคะอีกโอทเอกดโอ้พ้้งรถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไรคะเฉรษเดลัยบัสคดโห นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะนี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะ แม้อาปเรนินนाนาสัักดียี่สิบกิโลกรัมกลอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะกรุณาไปที่ w w w b o o k t o